พระทั้งหมดสามสิบเอ็ดเมื่อวานสมาสเนรมาหนึ่งเป็นสามสิบสองพระนวกะที่เป็นนักศึกษาพร้อมกับคณะที่บวชในวันนั้นสิบสิบสี่สิบสี่รูปแต่เป็นนักศึกษาแพทย์จริง <S <S สิบเอ็ดรูปอีกสามรูปรูปหนึ่งเป็นพระอยู่ในวัด เป็นนาคอยู่ในวัดของเราอีกคนอีกสองมามาด้วยมาด้วยกับคณะเป็นวงสาคณาญาติมาบวช ด, ด้วยนวี่หวางวันนั้นบวชสิบสี่องค์ถ้าดูแล้วนักศึกษาแพทย์เป็นทรัพยากรของชาติขั้นแนวหน้ า, านเพราะว่าผู้ที่จะเป็นแพทย์เป็นหมอเนี่ยต้องมีพร้อมทุกอย่าง ทั้งความรู้ความอดทนแปลว่ามีความสามารถเกินกว่าคนธรรมดาอย่างมากเพราะงั้นเพราะชีวิตของพี่น้องประชาชนไม่ใช่แต่ประเทศไทยของเราเท่านั้นโลกทั้งโลกที่มาเกี่ยวข้องกับรมาเที่ยวเมืองไทยถ้าป่วยที่เมืองไทยก็ต้องเข้ามาหาหมอไทย ถ้าเราไปเมืองนอกถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องไปหาหมอที่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นหมอเป็นหมอสากลก็ใช่พร้อมที่จะรักษาคนทั่วโลกถ้าเป็นหมอสัตว์ก็ไปว่ารักษาสัตว์ทั่วโลกถ้าเป็นหมอคนก็รักษาคนทั่วโลกเพราะฉะนั้นความขีดความสามารถของหมอทุกค น, นต้องเกินกว่ามนุษย์ ทำไมยังพูดอย่างนั้นเพราะว่ามนุษย์ที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเป็นเรื่องทรมานทุกทางจิตใจทุกทางกายในเมื่อเข้าไปหาหมอต้องแสดงอากัรกริยาที่มันอดไม่อยู่มันกั้นไม่อยู่ความอดทนของคนป่วยนั่นมันเกินขีดความสามารถที่จะอดกั้นอยู่บางคนที่ไม่ได้อุปรมมาด้วยดี มันมีอะไรมันออกไปทั้งรุ่นทั้งโมโหโทโซทั้งอะไรเพราะนั้นหมอจึงบอกว่ามีขีดความสามารถเกินกว่าคนธรรมดาถ้าว่ามีอารมณ์โมโหโทโสสู้กับคนไข้ hey. แปลว่าคนไข้หมดไปเลยหยรือว่างั้นเถออ่าผถึงยังไงยังไงหมอก็ต้องใจเย็นใจดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีความอดทนอย่างสูง เพราะนั้นที่นักศึกษามาบวชในครั้งนี้หลวงพ่อจึงพูดแล้วพูดอีกแนะนำแล้วแนะนำแนะนาอีกอยากจะให้เอาธรรมะเข้าสู่จิตใจอยากให้ฝึกทางจิตใจให้เข้มแข็งในทางของพุทธศาสนาก็คือฝึกสมาธิทำจิตให้มั่นคงทำจิตให้เป็นหนึ่งทั้งว่าตัวเอง มีเบลกในจิตใจแล้วใจของตนเองมีเบลกแล้วถึงเรื่องอะไรมากระทบเราก็มองเป็นธรรมไปหมดคล้ายๆว่ามองเป็นธรรมมองด้วยความเป็นธรรมมองรู้ตนปลายสายเหตุมันมีเหตุอย่างนั้นจึงมีผลอย่างนี้เพราะมันมีเหตุอย่างไรเพราะคนเจ็บไข้ได้ป่วยมันเหลือความอดทนในเมื่อมาหาหมอหมอก็ต้อง เหมือนกับผู้ใหญ่กับเด็กอย่างงั้นน่ะในขณะที่คนป่วยถึงจะป่วยในระดับไหนก็เถอะคนที่ป่วยมันใจมันน้อยด้ใจมันน้อยใจมันถ้าจะว่าคนที่ไม่ได้ฝึกหัดเอาไว้เนี่ยไม่ได้ฝึกทางจิตใจเอาไว้มันเหมือนกับคนทั้งหลายอยากจะให้เอาใจตัวเองทั้งหมดอย่างงั้นแต่เมื่อเป็นไปไม่ได้คนนั้น หมอทางว่าเฉยเมยเกินไปมันก็ไม่ถูกถ้าจะเอาใจเกินไปก็ไม่ถูกมันต้องทำตามหลักวิชาหมอที่ได้เรียนได้ศึกษามาทำใจให้เป็นธรรมทำใจให้เป็นกลางแต่จะทำอย่างไงอย่างนั้นได้อันนี้มันต้องได้ฝึกหัดพอสมควรเป็นหมอต้องมีจิตใจกว้างขวาง มีเมตตาเป็นหลักแต่ยุคสมัยนี้ที่ได้ยินได้ยินกันมาหมอพานิดบังหมอหน้าเลือดบังอย่างนี้เราก็ได้ยินหลวงพ่ออยู่ในป่าแต่ตามไม่จริงการได้ยินมานี้หลวงพ่อเองก็ไม่ได้รับรองว่าการได้ยินถูกต้องที่ถูกต้องแล้วที่เขาพูดไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่เราหูเรามีสองข้างเราก็ต้องฟังเอาไว้ บางทีอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อาจจะไม่เป็นก็ได้เออแต่ถ้าว่าได้ยินมาหลายๆคนมันอาจจะเป็นก็ได้เอ่อพวะนั้นขอฝากไว้กับลูกหลานที่จะเป็นหมอต่อไปในอนาคตเหมือนกันนะคือให้เป็นหมอที่มีคุณภาพให้เป็นหมอที่มีคุณธรรมเออที่เราได้ศึกษาได้เป็นหมอเนี่ยเพราะอะไรเพราะเงินภาษีพี่น้องประชาชนที่ให้เรา ได้เรียนได้ศึกษาจนได้รับความรู้ความฉลาดจนได้เป็นหมอเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจเป็นที่ไววางใจอของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเพราะนั้นเมื่อเราเป็นหมอสมบูรณ์แล้วก็ให้มีคุ ณ, ณธรรมให้ถือว่าพี่น้องประชาช น, นเป็นผู้มีพระคุณสำหรับเราส่งเราให้ได้เราเรียนหนังสือ การเป็นนักเรียนแพทย์ลงทุนสูงมากอถ้าจะว่าการลงทุนของการศึกษาแล้วเพรายนั้นเมื่อเราได้เป็นแพทย์เป็นหมอแล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจรักษาพี่น้องประชาชนด้วยความเป็นธรรมเพราะงั้นเถอะอันนี้ก็หลวงพ่อ ข, ขอฝากไว้ผู้หนึ่งเพางั้นเ่อะที่พวกเราที่มาบวชในวัดหลวงพ่อในครั้งนี้ หลวงพ่อก็ฝากไว้กับพวกลูกหลานทุกคนนะหลวงพ่อเองก็อายุ6กสิบลปีนีจะอยู่ไปอีกนานสักเท่าไหร่แต่ลูกหลานนะอายุเพียง20กว่าปีจะได้เป็นทรัพยากรของประเทศชาติไปอีกนานทีเดียวก็ขอให้ใช้หลักวิชาทางวิชาหมอและก็วิชาธรรมะที่พวกเราได้เข้ามาศึกษาในครั้งนี้หละ นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราทั้งข้างนอกก็วิ ช, ชาก็ฝึกหัดฝึกซ้อมให้คล่องแคล่วชวนวิชาธรรมะทางจิตใจก็ใช้เมตตาธรรมเป็นหลักเมตตากรุณามุติตาเป็นหลักแต่ถ้าว่าไม่ไหวจริงๆมันก็ต้องมีธรรมว่าอุปเปขา ไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อถึงขาวสุดท้ายแล้วอันนี้มันก็ต้องมีมีทั้งเมตตากรุณามุทิตาอันสุดท้ายก็ต้องมีอุเบกขาแต่เราจะ ป, ปรับเข้าไปอุเบกขาจะเลยก็ไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องมันก็ต้องมีทั้งครบทั้งสีอย่างในพร ม, มวิหารสีพร ม, มวิหารสีหลวงพ่อว่าเนี่ย อยู่ในหัวใจของหมอเนี่ยต้องมากกว่าคนทั้งหลายเหมือนกันเถอะเพราะว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยหลวงพ่อไปเห็นแล้วก็ขนาดหลวงพ่อเป็นพระนะหลวงพ่อก็ยังทําคิดยากอยู่แต่พอเห็นหมอแล้วก็อืหมอรู้สึกว่าใจเย็นเ อ, อมากแต่เมื่อถ้าว่ามีคุณธรรมในจิตใจเข้าไปด้วยมีเมตตาธรรมเข้าไปด้วยพร้อมกับหลักวิชาที่ได้เรียนได้ศึกษามา หลวงพ่อวันก็คงจะเป็นบุญเป็นกุศลเราจะไปคิดว่าเรารักษาเพื่อเงินอย่างเดียวเรารักษาเพื่อบุญเพื่อกุศลก็มีเวลาเราทําทําบุญทํากุศลให้แก่พี่น้องประชาชนที่ผู้มีพระคุณสําหรับเราที่ได้เสียประสงค์ภาษีที่เราได้ศึกษาเครื่องมือแพทย์ทั้งหลายที่เราเรียนไม่ใช่ ราคาถูกๆเพราะนั้นเงินที่ได้มาเหล่านั้นก็คือเงินอะไรก็เงินภาษีพี่น้องประชาชนทั้งหมดที่ได้ซื้อมาที่ให้เราได้เรียนได้ศึกษาจนมีวิชาความรู้ได้เป็นหมอที่สมบูรณ์จากนั้นก็เราก็ใช้วิชาความรู้ของเราให้งอกเงยรักษาพี่น้องประชาชนทบแทนบุญคุณของของเขาเหล่านั้น ถ้าว่าทุกคนคิดอย่างที่หลวงพ่อคิดนี่นะคิดอย่างนี้นะความพอดีมันจะเกิดขึ้นสำหรับพวกเราทุกๆคนแต่ถ้าว่าคิดคนอื่นเป็นอาหารโอชาลดทั้งหมดเราเป็นผู้ฉลาดาพร้อมที่จะตักตวงเอาเงินคำทรัพย์สมบัติจากเขาที่ทุกอยาก่างทาง จ, จิตใจท้งร่างกาย มันก็ทำได้ทำได้ง่ายที่สุดเพราะว่ามันเอืออานวยเพราะวิช า, าชีพของเราเนี่ยเอือถ้าหากว่าเราไปซื้อในร้านสิ่งของหลวงพ่อไปนั่งอยู่ในคลินิกสมัยก่อนหลวงพ่อเคยเข้าไปคลินิกการไปซื้อสิ่งของเนี่ยเขาจงต้องต่อรองราคาที่ราคาเท่าไหร่เ อ, อเอาไหมหรือไม่เอาเออ ก็จะต้องต่อรองแต่นี้เวลาหลวงพ่อไปที่คลินิกหมอบอกว่ายาราคาเท่านี้เ อ, อคนคุณมาเข้ามาบริการครั้งนี้ราคาเท่านี้ไม่มีใครต่อไม่มีใครต่อรองแปลว่าควักเงินออกให้พอใจหรือไม่พอใจหรือแพงหรือไม่แพงก็ไม่ได้คิดในขณะนั้นเพื่อรักษาชีวิตเพื่อรักษาสุขภาพตัวเองเพื่อจะให้หมอรักษา เพื่อจะให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บที่มันมีทุกขทางกายทางใจมานมนานถึงจะเป็นญาติพี่น้องพ่อแม่พาเข้าไปก็ควักเงินออกโดยที่ไม่ได้คิดเพื่อจะจะให้พ่อแม่ตัวเองหายจากโรคภัยไข้เจ็บ เ, เท่านั้นไม่ได้คิดอย่างอื่นเพราะฉะนั้นท่าทางว่าหมอคนดีถ้าว่าไม่มีคุณธรรมในจิตใจหลวงพ่อว่าตักตวงอัเอา เงินคําทรัพย์สมบัติจากคนที่มาใช้บริการที่ด้วยความทุกข์ยากลําบากในจิตใจก็ทําได้แต่ถ้าว่าหมอที่มีคุณธรรมก็ต้องคิดในจิตในใจหลวงพ่อว่าถาาว่าพวกเราได้ศึกษาธรรมะเมตตากรุณาโมทิตาอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นเนี่ยพวกเราคิดขึ้นมา เมื่อไหรพวกเราก็จะภาคภูมิใจเมื่อเท่าแก่ชลามเราได้รักษาคนป่วยสมัยเป็นนมมาจนถึงป่านนี้เราได้ใช้หลักธรรมประจําใจของเราคือเมตตาธรรมมาตลอดถึงเราจะไม่ร่ำรวยเราก็ดีมีฐานะดีกว่าคนทั้งหลายหลายๆคนเอาละขนาดนี้ถ้าว่าถ้าเรามีบุญในอดีต เราคงคงจะไปเกิดในที่รวยกว่านี้แต่ขนาดนี้พอแ ล, ล้วล่ะถ้ารู้จักเมืองพอนะรู้จักความพอดีพวกเราก็จะได้รับความร่มเย็นผาสุขแต่ถ้าว่าไม่รู้จักความพอดีในใจนั้นมีแต่หิวโหยอยู่ตลอดวล่ำเวลาก็หาความสุขไม่ได้ไอถ้ารู้จักพอเนะ่ะเอย่างหลวงพ่ออยู่ที่นี่นะข้าว่าหลวงพ่อเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อน หลวงพ่ออยู่อย่างพระหลวงพ่อพูดอย่างนั้นเลยนะหลวงพ่ออยู่อย่างพระอยู่อย่างสบายไม่มีอะไรไม่มีอะไรเดือดร้อนอยู่อย่างพระมีมากก็ใช้มากมีน้อยก็ใช้น้อยไม่มีก็ไม่ต้องใช้ออันนี้อยู่อย่างพระแต่พวกเราจะให้อยู่ว่าอยู่อย่างพระอย่างนั้นคงไม่ได้ก็คงวิ่งเต้นข้นขวายสะแสวงหาเครื่องเรียงชีพแต่ก็พอประมาณ ยังที่เขาบอกว่าท่านบอกว่ามองโลกให้มองต่ามองทําให้มองสูงมองโลกให้มองต่ามองยังไงคือมองที่คนด้อยโอกาสกว่าเราพ่อแม่พี่น้องที่ด้อยโอกาสกว่าเรานั่นเป็นยังไงเขาอยู่ด้วยความทุกข์ยากลาบากเรามายืนอยู่ในตรงนี้ดีกว่าพวกเขาทั้งหลายถ้าหาว่ามองโลกให้มองสูงเรามองว่าอาว คนที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีที่เขาร่ารวยมีรถดีๆมีของอะไรใช้ฟุ่มเฟือยเราก็พยายามทําอย่างที่มองเห็นว่าเขาสูงกว่าเราผลที่สุดเท่าเราเดินตามเขาไม่ทันเราสบแสวงหาทรัพย์ไม่ทันกับเขาเราก็มีคอร์รัปชันขึ้นมาคดโกงขึ้นมาป่นจี้ขึ้นมาเอาสิ่งไหนที่จะได้ให้มันสูงเหมือนกับเขาเราก็ทําความชั่วห ล, หลายอย่างเพราะนั้นท่านจึงบอกว่า มองโลกให้มองต่ำมองธรรมให้มองสูงมองธรรมคือคือความประพฤติปฏิบัติท่านผู้นั้นมีคุณธรรมอย่างนั้นท่านจึงได้ดิบได้ดีอย่างนี้เพราะนั้นเราควรปรับปรุงตัวของเราให้ดีเราจะได้สูงส่งขึ้นกับอย่างท่านเหล่านั้นอันนี้ท่านบอมองโลกให้มองต่ำมองธรรมให้มองสูงมองธรรมคือความประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะมองธรรมนะ อมองมองคนที่สูงกว่าท่านมีคุณธรรมที่สูงกว่าท่านจึงมีความร่มเยินเป็นสุขแตอส่วนมองโลกนะให้มองต่ำคนที่ด้อโอกาส ก, กว่าเราถ้าหากว่าเรามองสูงกว่าเราไปเรื่อยๆ เ, ยเราจะทำความชั่วไร้ระยำเพื่อจะให้วิ่งทันกับเขาวิ่งทันคนที่แล้วก็วิ่งทันคนหน้าอีก วิ่งทันเศรษฐีเมืองไทยแล้วยังต่างประเทศอีกอยังต่างประเทศอีกเศรษฐีสูงที่สุดในโลกอีกนะมันวิ่งไม่มีที่สิ้นสุดวิ่งตามโลกนะแต่ทางเราอยู่ในสถานะอย่างนี้ความเป็นอยู่อย่างนี้เอาพอเป็นพอไปเราบริหารการเงินการเป็นอยู่ของเราให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขตามอัตภาพก็น่าจะเพียงพอนะ ถ้าว่าเรามีความพอในใจนะมันก็มีความสุขระดับหนึ่งเหมือนกันนะแต่ถ้าว่าความมีความหิวโหวยอยู่ในจิตในใจอยู่ตลอดมันก็จะมีความทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันเนะพราะโลกกันนี้มันมหาที่สิ้นสุดไม่ได้มันหาที่สิ้นสุดไม่ได้จริงๆโลกกันนี้วพนนะี้ท่านเรามีความพอดีซะถ้าว่าถ้ามีความพอดีมันจะไม่ถอยหลังเหร อ, เ, อ, อเราจะไม่หมดกำลังใจเหรอไม่ใช่อย่างนั้น การกระทำของเราทุกส so, ิ่งทุกอย่างเราพยายามทำดีที่สุดในปัจจุบันสิ่งไหนที่เป็นสิ่งดีเราทำให้ดีที่สุดเมื่อทำดีที่สุดแล้วอนาคตมันจะเป็นยังไงเราจะไปคาดหวังมันเมื่อทำในปัจจุบันดีที่สุดแล้วอนาคตมันก็ต้องดีเพราะเหตุทั้งหลายผลทั้งหลายมันออกมาจากเหตุทั้งนั้นแหละแต่ถ้าว่าทาเหตุป็นดีแล้วเราจะไปหวังผลมันยากหวังเข้าไปก็นั้นแหละ เ อ, อมันเป็นไม่ใช่ผลที่แท้จริงเมืนเอนั้นผลแบบลมๆแรงๆผลในสูตก็เอ อ, เอาทางรัดเข้าไปผลในสูตก็โดนกระเด่งกระดอนออกมาเพราะมันไม่ใช่ของจริงแต่เป็นของจริงแล้วมีแต่ความร่มเย็นพัด ส, สุกเก้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยๆใหญ่ก็ใหญ่แบบมีหลักมีฐานมีเหตุมีผลสมควรจะใหญ่เ อ, อไม่ใช่ว่าใหญ่แบบขี่คดขี่โกงเข้าไปเออ หายใหญ่อย่างนั้นปหาใหญ่ที่ไม่ไม่จริงว่างั้นะแต่ถ้าใหญ่ด้วยสินด้วยธรรมด้วยเหตุด้วยผลแล้วอใหญ่ด้วยความภาคภูมิใจอืถึงจะอยู่ในระดับไหนกับภาคภูมิใจแต่ถ้าว่าใหญ่ขึ้นไปแบบทางรัฐอีกสักวันหนึ่งออคงคนก็คงจะเขีย่ยเราลงมาอีกเหมือนกันถึงวันนั้นะ เราก็จะมีความรู้สึกอีกเหมือนกันนะั่นะเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาที่หลวงพ่อกล่าวมาทั้งหมดนี้หลักเหตุผลพุทธศาสนาคือหลักเหตุผลความเป็นธรรมความถูกต้องมีเหตุอย่างนี้มีผลอย่างนี้มีผลอย่างนี้เพราะมันมีเหตุอย่างนั้นนีอมันเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดนะถ้านั้นพวกเราควรจะทำเหตุให้ดีผลก็คงจะตามมา ที่เป็นธรรมความร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราท่านทั้งหลายนะหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับนักศึกษาแพทย์ที่มาศึกษากับหลวงพ่อหลวงพ่อนั้นที่หลวงพ่อพูดไปถึงจะหนักเบายัางไงก็นำไปคิดนะอันนี้เป็นความคิดของพระป่าองค์หนึ่งว่างั้นนะหลวงพ่อฝากไวก้กับลูกกับหลานทุกๆคนนะ ถึงจะหนักจะหนาหรือจะเบายัางไงก็ให้ลูกหลานได้นําไปคิดไปพิจารณาที่สิ่งที่มันดีกว่าเออหลวงพ่อพูดเนี่ยน่าคิดว่ะอหลวงพอ่อโอ้ยพวดไม่หลวงพ่อพูดไม่ถูกหลุงพ่อล้าสมัย อ, อ่ากระทิ้งซะนะออถ้าว่าเออหลวงพ่อเนี่ยพูดถูกกว่าออพวกเราน่าจะนําไปคิดไปพิจารณาต่อไป อ, อถึงจะไม่ถูกทีเดียวก็มีส่วนะ อันนี้ก็นาไปปรับปรุงแก้ไขพวกเราก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขนะอันนี้หลวงพ่อพูดตามภาษาธรรมเหมือนกันการทมาคือความด้วยเหตุด้วยผลนะั่นะที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังมาแล้วก็นำมาคิดนำมาไต่ตรองใครควรเหตุและผลแล้วก็นํำมาบอกกล่าวให้ลูกให้หลานได้รับรู้รับทราบเลยนะตอนนี้ไปรับพรนะจะนิอนุโมทนาให้พร